ไปไหนหมดอ่ะฝนน่ ะ, นะฮะเรจะนั่งคอยอาบน้ำฝนอยู่ใต้ธารเนี่ยหลังคาเนี่ย น, นี่น้ําฝนมาเนีไอ้อาบน้ำฝนได้อยู่ใต้ธารเนี่ยแหละโอ้โหร่วงพลูมาเลยแหละเอาเอาฟินโคตรมาเรารู้หมดตั้งกี่ทางแล้วแหละไม่หาย ชันก็หมดไปตั้งสองสามศหมอไปยกรดเอามให้ชันก็ไม่หายแต่ก็เบาเบาเบาลงหรื อ, อยังไงเนี่ยเราไม่อยากลื้อเราเสีย ด, ดายไม้เสีย ด, ดายไม้ไม่อยากลือ้อหมอเขาอยากลื้อเปลียล่ยนรลางคาใหม่เราเสีย ด, ดายไม้ไม้นเวลาฝนตกมามรก็รวลงมาแล้วก็ไม่เช็ดเย็นดี ครับรัฐพออยู่พอได้นั่งหลบยุง่งถ้าเรานั่งข้างบนเนี่ยเรายุง่งยุงกวนบางทีเรามานั่งอยู่ในที่ดิบดียุงไม่กวนยุงข้างนอกไม่กวนแต่ยุ่งข้างในกวนนะถ้าเราไม่ตั้งใจทําดิบดีอิหลีหล่อเนี่ยยุ่งข้างในกวนกวนตลอดมันจะกลายเป็นว่าสักเทวันนั่งนั่งสักเทวันนั่งไม่ได้ประโยชน์เลยแหละไม่ได้ตั้ง ไม่ได้ตั้งใจดูไอตัวผู้ที่มันผลิตผู้รู้มันผลิตออกมาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยอืมอาวกำหนดจิตกำหนดจดจออยู่กับผู้รู้อันนี้เนี่ยโอ๊ยแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วกำหนดจดจอดูลิกซ้ายผลิกขวาดูหน้าดูหลังประคับประคองอยู่กับสิ่งที่พาเราตื่นรู้อยู่กับสิ่งเดียวเนี่ย แค่นี้เราก็เกาะได้แล้วก็มีความสงบได้มีความสุขได้มีความชุ่มเย็ยนได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ว่อนไปไม่มีที่จอดหลับที่นู่นจะดีที่นี่จะดีตรงนั้นจะดีคนนั้นใหม่ดีคนนี้ดีไปอย่างนั้นได้ละ่ะมันไม่เคยดูตัวมันดอกจิตเนี่ย ตัวมันเนี่ยดิบดีวิเศษวิโสอัศจรรย์ขนาดไหนเนี่ยมันไม่เคยดูแต่ตรงกันข้ามนี่ยมันทําตัวโครโกโซ่มันทําตัวโครโกโสมันไม่ได้รู้ว่าตัวมันเองดิบดีวิเศษวิโสเนี่ตรงกันข้ามนี่ยมันทําตัวมันเนี่ยโครโกโซมันไม่รู้ว่าสิ่งดบดีประเสริฐเลิ่อนเลยขนาดไหนมันไม่ดูมันไม่สนส่งไปทั่วทีพยทั่วแดน พลังอะไรพาออกมาไม่เคยสังเกตสังกามัน <c oughs> เรารู้จักสังเกตสังกาแค่นี้เราฉลาดได้เราสามารถทํากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ได้อย่าไปอย่ไปคิดว่ามีใครใครมาทํำกายกรรมไม่จีกรรมมโนกรรมให้กับเราไม่มีทำเอาเองฝากใครทําก็ไม่ได้ทํำมาเองทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าคนนั้นทําให้คนนี้ทําให้ไม่มี ทุกเดือดร้อนเนี่อย่าไปคิดออว่าคนนั้นทําให้คนนี้ทำให้ไม่มีเดือดร้อนเองทุกเองทุกเพราะกรรมของตัวเองสัตว์ทั้งหลายทุกเพราะกรรมของตัวเองสัตว์ทั้งหลายสุขเพราะกรรมของตัวเองตัวเองสร้างเอาทําเอากรรมถ้าไม่พยายามสอดส่องมาตรงนี้ไม่เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองเลยสร้างเทพุต ภ, ภูรินะสแสวงหาเทพุต ภ, ภูริไม่มีที่จบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบ บุกเบิกเอาใหม่เรื่อยบุกเบิกเอาใหม่เพลิดเพลินเอาใหม่แสวงหาเอาใหม่เรียกร้องเอาใหม่อยู่ร่ำไปคิริยาใดเป็นสิ่งที่ผลิตผลความสุขความเจริญมาให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ตั้งใจที่จะตั้งใจฝึกฝนอบรมอยู่ลอยๆไปวันๆไม่มีประโยชน์เลย วันหนึ่งล่วงไปวันหนึ่งล่วงไปว่าหนึ่งล่วงไปไม่เคยสุปลงมาเลยว่าเราได้อะไรได้แต่อยู่ได้แต่กินคิดไปเจอของอยู่ดีกินแซบ่บแค่นั้นแหละคิดว่าอยู่ไม่ดีกินไม่แซบ่บก็คิดแค่นั้นแหละออยู่กับเออวันนี้สุขใจหน่อยชุ่มเย็นหน่อยอวันนี้ทุกใจมากๆกลุ้มใจมากๆสารพัด แ, แต่มันจะพานึกพาคิดไม่มีอะไรเป็นหลักของตัวเองมันก็มีแค่นี้แหละวงจรของจิตจะมีอะไรไปกี่โลกไปกี่ทวีปไปตรงไหนก็อยู่กับตัวนี้แหละกับตัวนี้แหละพาไปไปที่ดีไปที่เลอไปที่ทุกอย่างลําบากกันนานกับตัวนี้แหละพาไปจะมีที่ไหนพาไปเราจะไปหาดูอะไรอศัศจรรย์ที่ไหนถ้าเราไม่มาตรงนี้ไม่ดูตรงนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ค่อยใจ ไม่ไม่พบไม่เจออะไรสัยอย่างดอกอเจอแต่มายาที่มันหลอกไปวันๆเท่านั้นแหละเราต้องอยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างฝึกอยู่อย่างฝืนอยู่อย่างมันอยู่อย่างเพียนอยู่อย่างเป็นตัวของตัวธรรมะทําให้เราเป็นตัวของตัวสติธรรมปัญญาธรรมทําให้เราเป็นตัวของตัวได้ตรงกรันข้ามไม่เป็นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ดอก อย่าไปสงใจล่องลอยไปที่ที่อื่นที่นู่นที่ที่นี่จะดีตรงนั้นจะดีเมื่อนั้นจะดีวันนี้จะดีเช้าจะดีบ่ายเที่ยงจะดีไม่มีอะไรดีจอมาที่นี่ที่ไรมาฝึกฝนตรวจตราทดสอบมันดีทุกระยะทุกเวลาอืปล่อยใจเพลินไปวันวันเพลินไปกับสิ่งนี้เพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปแล้วก็เผลอแหละนั่นเพลินไปแล้วก็เผลอละอวิชามันชกมันช่วยไปแล้ว เพลินปล้วมันช่วยไปแล้วชกไปแล้วออกนอกลู่ไปทั้งเท่าไหร่แล้วออกนอกลู่คือออกนอกทาง อ, ะอ่ะออกนอกลู่คือเส้นคือกรอบคือขอบเขีออกนอกลู่นอกเส้นนอกกรอบนอกขอบนอกขีดบนทุกขแล้วสินี่เพราะอะไรเพราะไปสอหาโทษไปสอหาคุณไม่เจอ เสาะไม่ถูกเพราะสิงพาเสาะมันไม่ใช่สิงพาเสาะเพื่อหาคุณถ้ามีสิงพาเสาะไม้ว่าจะเสาะหาคุณก็ตามเสาะหาโทษก็ตามนั่นอ่ะกาลังสร้างคุณแต่ถ้าตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ใช่คุณพาเสาะเสาะทั้งวีทั้งวันครเสาะไปเจอแต่โทษอันแะไปเจ อ, อยืออยู่บ้างนิดๆหน่อยๆพอมันล่อพอมันล่อพลอยเพลินใจเท่านั้นแหละมีแค่นั้นแหละ ความตายไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยวัยประถมวัยมัธยมวัยปัตชิมมันไม่เลือกเลย นอนหลับตายนอนไหลาตายถูกพยาบาทฆ่าตายก็ดูที่เราฟังข่าวเขดูที่นั่นนะคือพยาบาทรู้อย่างไหมฤทิ์ของพยาบาทถูกพยาบาทจองล่างจองผลานกันนั่นแนะ่ะ พ, ษพิษพิษผลของมันทั้งนั่นแหละเราจึงตายใจอะไรไม่ได้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนีเราตายใจกับอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ทำอะไรก็ศัพทวัธรรมกำหนดจดจอพิจารณาเป็นการศึกษาเป็นการฝึกฝนอบรมไปเราไม่ปฏิเสธผลผลมันมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ทำผลเพิ่มให้ดีมากกว่านั้นทำเป็นการฝึกหัดดัดแปลงไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจอยู่อย่างเป็นผู้มีความตื่นอยู่มีผลงานมีระบบมีระบอบมีกรอบมีขอบมีเคให้กับตัวเอง แบบนี้ไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียเวลเวลาไม่เสียผลประโยชน์อยู่ไปอย่างเป็นผู้มีประโยชน์อยู่ไปอย่างเป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์ชีวิตให้กับตัวเองอยู่มากอยู่น้อยมีผลมีประโยชน์ตรงกันข้ามอยู่ไปเท่าไรกสัคเทวะอยู่อยู่ไปเท่าไรกสัคเทวะอยู่ มากอยู่นานไม่มีผลรายได้ไม่มีผลประโยชน์อะไระไม้ผุไม้ขอนไม้ตายไม้ไม่มีแก่นไม่มีสารอะไรสมัยหนึ่งลมครืนไฟไหม้ทิ้งลมคลื่นไฟไหม้ทิ้งแต่ถ้าตรงกันข้ามล้มลงไปแล้วมีแก่นตรงกันข้าม เป็นไม้ที่ล้มลงไปเล้วเป็นไม้ที่นึแก่นมีคุณค่าให้กับกับชีวิตให้กับธาตุรู้ให้กับผู้รู้เพราะผู้รู้สร้างสรรค์ผู้รู้ตัวนี้เองเป็นผู้รู้ที่จะพัฒนาเป็นผู้ที่จะเจริญวัฒนะและก็เป็นผู้ที่จะทําให้หาญนะอยู่กับพูดผู้เดียวนี่แหละ แล้วว่าเราว่าน้ําเงาบัวเนี่ยเราว่ามันบูดนะใครชันบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่ไล่แล้วท้องไม่เสียเลยฮะฮะฮะแล้วก็รู้ว่าเสียแล้วเอาไปทําไมอ่ะโอ้ยเราก็ฟาดไปสองสมบุกเราว่ามันบูดครั้งหนึเพราะนี่ทําไมฉันกันได้วะเฮ้ย พวกนี้ตอนได้ฉันจะเนื้นะท อ, ท อ, ท, อทองเสียช่างมันถือวะทองเสียช่างมันดีก็เอาไปเททิ้งเลยตายฮ <laughs> ะมันตั้งกี่องเนี่ยใบฉันอะทําไมไม่รู้ อ, ะอ่ะฮะฉันยังไงไม่รู้แล้วดมดูมันก็ใช่เลยแล้วดูน้าอะไรนี่มันมันแปลกแปลกนะเรามาดมดูพอถูกลิ้นปั๊บมันส้มส้มอุ้ยใช่เลยเลยเนี่ย ป่านั้นก็ยังใส่ไปสักสองสัมผึหมดไปชิ้นหนึ่งแต่แค่นี้ท้องไม่เสียนิดหน่อยนิดหน่อยต้องดูให้ดีคนที่เอามาก็มาได็ดูถ้ามันเกินกำหนดเกินเวลามันก็เสียมันนานเท่าไหร่วะหกชั่วโมงนี่ล้วว่ายังไม่เสียดอก คนที่เข า, เขาทําบุญมาเขาก็ได้บุญเต็มร้อยแหละเขาได้บุญเต็มร้อยเราและใครชั้นมากๆอ่ะได้ท้องเสียเต็มร้อยเลยแหละลองดูซิคืนเนี้ี <c oughs> <c oughs> ่ผกเห็นแก่ปากแก่ทองด้วยแล้วนะเนี่ยเซตหมูช่างมันเปรี้ยวช่างมันดีกว่าเททิ้งอ่ะเรามาสังเกตดูอทองเราเนี่ย มันไม่มีอะไรเนี่ยอาหารลงไปกับท้องแหละรับผาระอาหารทุกอย่างลงไปท้องรับผาระเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเข้าไปท้องรับผาระเราดูซิแม้แต่ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันร่วงการผ่านเวลาไปมันก็ไม่เข้ากันมันไม่เข้ากันธาตุแท้ๆเอาใส่เข้าไปไปถูกข้างในมันก็ไม่รับดูดิ มันรู้เหมือนกันนะม่นฉลาดมันมีจิตใจเปล่าท้องมันมีจิตใจไหมมันรู้เหมือนกันไม่ดีมันพยายามปินเหาะทิ้งเห็นไหมปินขึ้นบนไม่ได้มันก็ไล่ลงข้างล่างนั่นแหละกวดปากปวดปากปวดปากมาดูที่คุณเก่งไหมล่ะดีกว่าเรามีหัวใจแล้วไม่ไม่ได้ใคร่ครวนไต่ตรองอะไรเนี่ยอืมอ่าวันนี้พอสมควรเก็บเวลาแหละวันนี้แค่นี้แหละ เลิกแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฝนทําท่าจะตกด้วยเอายุติแค่นี้แหละเลิกแค่นี้เดี๋ยวนี้มันสว่างหกโมงนะเนี่ยยอมจะไปตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวนี้มันสว่างหกโมงนะอ่าว่าสวสดีไปอะไรตั้งแต่ตีห้าไปถึงน้องใครก็ยังไม่สว่างด้วยเอออยู่บินธบัตตรงนี้ซะก่อนเลยวินบาตแล้วก็ไปฉานนู่น อยู่มาแล้วก็กะว่าเขาเอาอาหารลงไปแล้วก็บินบา่าบินบ่าแล้วก็ไปเลยห ร, ร, ร, รือไม่ก็่าหรือไม่ก็ฉันเสร็จแล้วค่อยไปสบยสะดวก <c oughs> จะไปดูอะไรจะไปดูพญานาคแล้วพญานา克เรามีทั้งสองตัวไปดูทําไมนี่ดูนี้พญานาคเรามีทั้งสองตัวเนี่ยต้องไปดูอะไรพญานาค ใครอยากดูพญายนาคมาดูทำเต่านั่นเนาะมีตั้งสองตัวน่ะมาดูไปดูเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าใครมายกหนงเงี้ย <laughs> ลุงนี้ลุงนี้วันหนึ่งแล้วก็เราก็ไปละอ้อวันนี้ไซสก็ขอซะ ออาานอกนั้นกลับจ้าไป